เสียงานหนังสือก้าวไปในบุญสมเด็จพระพุทธโคษ า, าจารย์ปออปยุตโตทำความเข้าใจความหมายของคำว่าปุญญะหรือบุญที่ถูกต้องที่หลายคนมักยังเข้าใจคลาดเคลื่อนเป็นสิ่งสำคัญที่ชาวพุทธทุกคนต้องศึกษาให้เข้าใจเพราะเป็นฐานสำคัญแห่งการบรรลุธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ได้จริงต่อไปการให้ทานอย่างไรจึงจะได้บุญอย่างสมบูรณ์ การทำบุญให้สมบูรณ์ขึ้นไปถึงปัญญาหนทางมากมายในการทำบุญที่ไม่ใช่แค่การให้ทานกับเรื่องบุญกิริยาวัตถุคือหลักเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญเรื่องที่จัดเป็นการทำบุญหรือทางทำความดีเพื่อก้าวไปในบุญตามหลักพุทธศาสนาได้ถูกต้องตรงทางต่อไปอ่านโดยอริยคุณ จะทำเพื่อเป็นธรรมทานโดยแนรื้อมนตตั้งสกุลภัยสารเรื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด14เมษายนพุทธศักราช2568ขอทุกท่านร่วมนุโมทนาชีวิตคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปได้ด้วยธรรมะจะสะท้อนกลับมาเป็นแรงส่งให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปทุกๆด้านอย่างเป็นธรรมเช่นกันสัพพะทานังธรรมทานังจินาติการให้ธรรมะชนะ การให้ท่านปูน